9. ทุติยทุตถโทสักสิกขาบท 16. ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นทรงบัญญาสังคาทิเศษแก่ภิกษุผู้อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณเรื่องอื่นเป็นเลสใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลณที่ไหน ตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเมตติยะและพระภู ม, มชิชักกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภู ม, มิมักกะอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่์ใส่ความท่านพระทัพพระมละบุตรด้วยอาบัติประราชิกไม่มีมูล ในทุติยทุตทะโทสะสิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐาน